أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم. فاتو بآباءنا إن ك ن ا ي فاتو ب آ ب ا ئ ن ا إن كنتم صادقين. خير أم قوم تبعون ا ل ذ ي ن من قبلهم ه ل ك ن ا خلق السماوات والأرض وما بينهما لعيب. لَقْنَاهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أكثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ م ِ ق َ ا ط ُ م أَجْمَعِينَ إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ م ق َ ا ط ه م أَجْمَعِينَ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 سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه و ز ن ة عرشه ومداد كلماته ص ب ح ن ا على فطرة الإسلام وعلى كلمة إخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى م ل ب ي ن ا إبراهيم حنيف م س ل م وما ن ا من المشركين اللهم ف ا m a fatir a و ا ت و ا ل أ ر ع ا ل م ا ل غ ي ب والشهادة ربي كل شيء ومالك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان و ش ر ك وأن أقترف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملج وله الحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله و ب ح م د ุ سبحان الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ล hamdulillah พี uh. ham illah, ่น้องที oh, ่ร่วมนิมาต์เชที illah, ่มัสยิดอันวาลิสุลนาที่รักทั้งหลายครับล hamdulillah ก่อนเดือนเราต้องไม่ลืมนะครับที่จะต้องชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه ละุ์ุุุุุุลุุุุุุุุุุอุุุุลุุุุลุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุมุุุุุุุกุุุมลึกถึงุุุุุ สุภานาหูวาตอาลาภาษาที่ท่านนาบีสอนให้เรานึกถึงอัลลอฮ์ก็คือให้อ่านคุรานนี่เป็นการนึกถึงอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดนมาดนิยาขาดเป็นการสืเกิดถึงอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ให้บริจาคสม่ําเสมอให้ขออุดาให้ที่คุรล้อแล้วก็อย่าทําให้พ่อแม่เสียใจยอย่าทะเลาะ ก, กับพ่อแม่ตัวเอง จะเป็นพ่อผัวแม่ผัวอะไรก็ตามห้ามทะเลาะแล้วก็ดูแลภรรยาให้ดีย่าด่าภรรยาอย่าตบหน้าภรรยาเอาเงินจาภรรยาชายลูกก็เหมือนกันเตือนดีๆอย่าด่าลูกนะครับแล้วก็สบัดอดทนมีปัญหาเดือร้อนมาก็ต้องสบัดอย่าเพิ่งวุว่นวายพี่น้องเก็บไข้ได้ป่วยมาหาเราเนี่ยต้องน้อมรับก่อนว่าอะทำตัวดีแล้ว ถ้าทนไม่ไหวก็บอกว่าอินาานาอิลลาฮิวอินนาอิลลาฮิรอจยอขอดุดาก่อนนะครับถ้าเจ็บหวัวเข่าเนี่ก็เอามือวางที่หัวเข่ า, ขาก่อนอย่าเพิ่งไปหาหมออ่านอุดาว่าบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์บิสมิลลาห์อาบิติลลาฮิวุราฮมินชรัริมาอาจิวุวาฮิุวาอย่างเงี้ยเจครับผมก็ทาประจำเพราะผมผมป่วยบ่อย ก็ดูอานี่ช่วยได้พอไม่ไหวจริงๆก็ไปหาหมอถ้าส่วนใหญ่หายเพราะดูอาน่ะหายเพราะดูอสังเกตผมสังเกตตัวว่าเราเนี่ยหายเนี่ยเพราะดูอ่ะอย่าลืมดูอาก่อนนอนในการรักษาสุขภาพแล้วก็ทานอาหารนี่ก็เหมือนกันเอาเมนูอาหารชาวสวรรค์ธรรมาชาติก่อนบนดุวยานี้อะไรบ้างครับ วา่วาาว่ากิหามิมมายะตะคอยยรูนก่อนทานอาหารให้ทานผลไม้ก่อนยิ่งเราผู้ใหญ่นอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยจะเป็นหนุ่มแค่ไหนก็ตามเถอะก็ทานผลไม้ก่อนแล้วก็ทานด้วยอาหารหนักนี่ไงถ้าทำแบบนี้นี่แล้วมันตรงกับวิทยาศาสตร์เขวเคร้ห์แล้วมันตรงวิทยาศาสตร์ไม่อาศัยก็ได้เอากุรานในรามาชายในชีวิตประจาวัน อัลฮัมดุลิลลาพี่นองการให้อภัยเนี่ยทำให้สุขภาพแข็งแรงอิลรุลลอฮ์ทำให้สุขภาพแข็งแรงขอบคุณอัลลอ์นะครับที่เราทบทวนอัลกุรอานมาถึงสูราอัดดุคอนอัดดุคอนเนี่ยแปลว่าอะไรนะไอหมอกทำไมต้องพูดเรื่องไอหมอกเพราะว่ากุรอานในสื่อเตือนเราว่าไอหมอกนี่จะมาสองครั้งในตัมซิดอธิบายเลยนะครั้งแรกเนี่ยมาแล้ว เมื่อ น, นบียังมีชีวิตอยู่นบีถูกเล่นงานถูกดา่าถูกใส่ร้า ย, ายถูกนู้นถูกนี่ถูกขว้างถูกไล่ออกจากนาครมักกะทุกนบีที่มาในโลกเนี่ยต้องอพยยหมดคืองานศาสนาเนี่งานเป็นงานที่มีเกลียดเป็นงานที่ประเสริฐแต่ในความประเสริฐนั่นแหละเาลาจ ะ, ะทดสอบเยอะมากเลยครับฉะท่า น, นคนที่ทํางานศาสนานี่คนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่า เอาคำพวกภาวนาบูรษานะเขาว่ากาฟตัวของเขาให้ทํางานาศาสนาของอัลลอฮ์ว่ากาฟเลยนะว่ากาฟตัวมันก็เรามีวก่กาฟที่ดินว่ากาฟรถให้มัสยิด ต, ต้องให้ทั้งหมดเลยนะฉะนั้นชีวิตจิตใจเราเนี่ยยอมที่จะมอบกไว้อัลลอฮ์จะไปไหนมาไหนอัลลอฮ์จะดูแลฉันด้วยไม่จะออกจากบ้านสังเกตนะถ้าไม่อ่านดูอา่าแล้วเจอ เจอเรื่อยถ้าอ่านดูอาแล้วเราจะคุม้มครองเราก็สังเกตดูนะว่าคนที่ออกข้างนอกล้วเจอ น, จนั่นเจอนี่เจอปัญหาใหญ่ๆเรานึกแทนเ็าว่าสงสัยออกจากบ้านไม่ได้อ่านดูอาถ้าอ่านดูอาแล้วอัลลอ์จะคุม้มครองนะครับดูอาว่าไงบิส <All> มิลล <la> อฮุมาะห์่ะลาบิสมิลลาฮิโต้วะคัลญ์ตูอัลลอฮิวะลาฮ์ฮาวะวะลาก์ควูตัอิลลาบิลลา่างงี้เป็นต้น หัวใจเราต้องผูกพันกับอัลลอฮ์แล้วก็เอาลซุนาห์นบีเนี่ยมาดูอาที่ผ่านนาบีเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันมันก็ดูคอนครั้งแรกเนี่ยมาแล้วนะแล้วความลําบากมาความยากจนมาเยือนความแห้งแรงมาเยือนแล้วก็จะเกิดหมาอีกข้างหนึ่งในวันเกี่ยมานี่เตือนเตือนให้เราเตรียมตัวให้พร้อมอย่าเป็นคนที่เดินตามคุณกาเฟ บ้านนี้ยังนอนไม่ตื่นเลยเนี่ยมันไม่ใช่บ้านมุสลิมแล้วบ้านมุสลิมมันต้องต้องตื่นไม่ใช่ตื่นซุบโบนนะมันต้องตื่นตั้งแต่ตีถอยตีสามครึ่ง <c oughs> หรือตีสี่เนี่ยกำลังสวยเลยโุมันชุ่วมงเนี่ยนะครับห้ามเดดเด็ดแล้วต่อมาครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านพบขอบคุณเราเราจะอ่านกุรานนะได้ความรู้ผ่านผ่านกุรานเนี่ยเยอะมากครับ แล้วก็ลืมไปหมดแล้ว่ถ้าจำนะอัลลออลกุฟฟัตาทิติทีแล้วก็คือพูดถึงเรื่องว่าคนกาเฟสเนี่ยเชื่อว่าตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวแล้วก็ตายครั้งเดียวแต่สําหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺเนี่ยอัลลอฮฺสอนเ ร, รากระบื้องอุร์อานให้นบีมาอธิบายด้วยตายสองครั้งเกิดสองครั้งตายครั้งแรกเนี่ยตอนที่เราอยู่ในอาลัมแห่งโลกแห่งวิญญาณนั่นน่ะ อัลลอฮ์เล่าเองนะครับนั่นคือสภาพคนตายและอัลลอฮ์ก็เรียกวิญญาณเนี่ยประชุมทั้งหมดอัลลอฮ์ถามบอกว่าอัลลอสตุบิรบดิคุมฉันนี่ไม่ใช่เป็นพระผูอภิบาลของพวกท่านหรือกอลูวิญญาณทุกดวงตอบว่าบาลาใช่ท่านเป็นรบของเราวันนี้อัลลอฮ์เอาวิญญาณของเรามาอยู่ในร่างอัลลอ์มองไม่เห็นส่งนบีมาสอนอัลลอ์มีนะ แต่คนเชื่อกี่คนเห็นไหมหลงวัตถุ ก, กันหมดเลยอะ่ะไอ้วัตถุมีอยู่สี่อย่างหนึ่งเงินสองชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศและสี่อย่างนี่นะไม่เอาอาัลลอฮ์ไม่เอาราซูลอยู่ได้ไหมสบายเลยนะเพลินด้วยอร่อยด้วยเห่นไหมลนะ่ะ<ม>อย่างกรนีใครเชื่ออะไรที่ท่า ก, การเมืองที่มาแฉเรื่องใครอแต่นิดนิดนดนะ แชรเรื่งตูหงตูหาวล้วก็ตามแต่นั้นลงดุลยามหมดเลยเนี่ยนี่ท่านลงอาคเราปัญหานี่มีไหมไม่มีหลงลงนมาศหลงอิมานหลงตะกวาหลงยาตีลงอยาซานลงอิคลาสหลงอันกุลาปัญหาปัญหาไม่มีปัญหาเลยไม่จะถูกแกล้งเพราะอิปอบเอกเป็นเป็นมุสลิมอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมนะครับขอบคุณอัคราณ์นะครับ คนคนาเฟรเชื่อว่าตายมีครั้งเดียวแต่มุสลิมนี่ถูกสอนว่าตายมีสองครั้งครั้งแรกน่ะผ่านมาแล้วตอนนี้มาอยู่บนโลกดุนยาเขาเรียกว่าฟื้นครั้งที่หนึ่งเดีวต่อไปต่อไปตายเรียกว่าตายครั้งที่สองแล้วก็แล้วก็ฟื้นในวันกิยามะนี่อันนั้นครั้งที่สองอยา่างนี้เป็นต้นเราต้องอีมานแบบนี้เลยเขาเรียกว่าอีมาน อ, อีมานต่อ Allah อีมานต่อ Rasul อีมานต่อคัำพี นะครับอิมานต่อวันเกียรมะอิมานว่าตายแล้วต้องฟื้นไม่ใช่ตายแล้วตายเลยตายข้อที่หกตายและอะไรนะคนจนคนรวยคนผอมคนอ้วนคนมีลูกไม่มีลูกมีทรัพย์สินมากน้อยแค่นนอัลลอฮจัดการแต่เพียงผู้เดียวเราก็ต้องเดินเชื่อแบบนี้แล้วปลอดภัย ต่อมาครับ ว, นนวันนี้วันนี้วันนี้วันนี้วันนี้เราต้องการจะอธิบายอายะที่ทลายนะสามสิ 36. คือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าคนเนี่ยตายสองครั้งนะแล้วก็เกิดสองครั้งพออธิบายเสร็จแล้วก็คนคนกาฟเฟ่ทั้งมันก็ยืนยันว่าตายครั้งเดียวแล้วโลกโลกโลกดุนยานี้ไม่มีอะไรหรอก แล้วก็รอตายอ่ะแล้วก็ไอ้ความตายเนี่ยไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์ให้ตายนะตายนี่เพราะวันเวลาทำให้เขาตายนี่คนที่เชื่อแบบนี้นะเชื่อเหมือนคนกาเฟตนะที่เราเป็นห่วงในเป็นห่วงมุสลิมด้วยกันเองเชื่อว่าวันเวลาทำให้เราตายบอกไม่ใช่วันเวลาก็วันเวลาไม่เกี่ยวกันไอ้ความ ความเป็นความตายเนี่ยนะอัลลอฮ์นะอาหิยาหะอามูดอัลลอฮ์ให้ฉันมีชีวิตอยู่และอัลลอฮ์ก็ให้เราตายไม่ใช่วันเวลาทําให้เราตายอยากอย่าอย่าเข้าใจผิดนะถ้าเข้าใจผิดก็ต้องโออัสตากุรอันเข้าใจผิดมาตั้งหน้าละวันเวลานี่ยทาให้คนตายบอกไม่ใช่ไม่ใช่วันเวลาทาาาาาําให้คนตายอ า, ายอจยันมันมาเมื่อตอนที่เราเฟิร์สอ่าตอนอยู่ในคาร์มารดาเนะี่ย ตอนอายุได้ร้อยี่สบวันเนี่ยรอยวันใช่ไหมนะล่ะอัลลอ์เมื่ออลัลลอ์เป่าวิญญาณไปในร่างของเด็กเนี่ยเด็กมันจะเริ่มดิน้นวันที่ดิ้นน่แห ล, อละอัลลอ์ให้สอย่างหนึ่งริสกีของเขาได้เท่าไหร่ใช่ไหมสองอาญาณของเขามาพอริสกีหมดอาญาณมาความตายมาอันที่สามทุกคนมีอาชีพหมดเลยไอ้สมอย่างนี่เลือกไม่ได้ แต่ข้อที่สี่เนี่ยจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วอันนี้เลือกได้ไหมได้ครับจะเป็นคนดีอ่านกุนอาเล่มนี้เล่มเดียวไปสวรรค์ครับถ้าไม่อ่านกุนอาแล้วอ่านหนังสืออย่างอื่นทั้งหมดเนี่ยของรามกํำแหงเนี่ยนะมันไม่ผ่านเลยพี่น้องครับเพราะหลักสูตรที่ยาฮูดีให้มาเรียบร้อยแล้วเองต้องเดินตามฉัน เองจะอยู่บนโลกใบนี้แบบสงางามพี่น้องก็จะอ่ า, าอนคุรอ่านเจอๆอย่างนี้อุลุลอัลบาบอุลุลอัลบาบเนี่ยว่าลบบุญลุบบาป น, นี่อัลบาบแปลว่าเฉลียวฉลาดคนมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ได้ยกย่องมาจะสรรเสริญว่าให้เป็นคนฉลาดไม่มีครับคนลุบคนฉลาดเนี่ยส่วนใหญ่อยู่กับคนกาเฟตหมดเลย แต่อัลลอฮเนี่ยชมมุมินว่าอัฟลาฮก็ดอัฟลาฮัลมุหมินูนแปลว่าอะไรรูไ้ไ้มคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นจะได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนอัลละดีนะฮุมฟีสซาลาติฮิมคอชิอูนนมาดของเขาของผู้ศรัทธานั้นนมาดด้วยท่าทางที่นอบน้อมถ่อมตนคุช่้ แล้วก็ฟามันูคซิฮานินใครที่ถูกการออกจากนารกว่าอุดรคิรัญันะแล้วก็ถูกเชิญให้เข้าสวรรค์ฟาก็ดะฟ้าะคนนั้นเป็นคนที่ได้รับความสำเร็จแล้วไม่ใช่ปัญญาดีอลล่อยยกคนกาเฟตเองคิดนั่นคิดนี่คิดถึงดุนยานะคิดยังไงจะให้ขึงบินจากประเทศไทยไป ไป ไ, ไปมั ก, ก้าแบบง่ายๆไว้ๆคิดสิเราท่านก็ชมเว่าเป็นคนเนี้นะสมองดีอะไรดีแต่ไม่เคยสู่จูต่ออัลลอฮ์สาเร็จไหมไม่สําเร็จครับพระมานหลายที่มามอ่านเมือกีอันนี้อันเกตัวนะอันนี้กีเอ่ อ, อดอัฟละฮมันตาจักเน่ไมคนที่ซักฟวกหัวใจของเขาให้สะอาดนั้น เขาได้รับความสําเร็จอัฟละฮะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ลุปบุญไม่ใช่สติปัญญาเฉียบแหลมไม่ใช่กับคนที่ซักฟอกหัวใจให้สะอาดด้วยการยึดอัลลอฮ์องเดียวนั่นแหละเป็นคนที่ซักฟอกหัวใจแล้วก็อัฟละพวกนี้ได้รับความสําเร็จได้ไปสวรรค์หมดครับไม่ใช่ฉลาดฉลาดนะลองมองกับคนนอนมุสลิมแค่นี้พอแนละ้วอัตอมาก็วันนี้ คือคนอาหรับมุสริกเชื่อว่าตายแล้วไม่ฟื้นตายแล้วตายเลยแต่นี้เขาก็ทางอ่ะฟะตูบิอาบายนาอิงกุนตุมซอดีกรินฟะตูบิอาบายนาอิงกุนตุมซอดีกรินพวก กาเฟสทั้งหมดนี่นะในสมัยนบีเนี่ยจะพูดว่าดังนั้นจงนําบรรพบุรุษของเราที่ตายไปแล้วให้ฟื้นขึ้นมาสักคนหนึ่งได้ไหม <c oughs> นีทานาบีฮะที่นบีพูดว่าตายแล้วต้องฟื้นอ่าไม่ใช่ตายแล้วตายเลยอันนี้ก็เถียงกลับงเอ็งสอนเอ็มอุมัดสอนว่าตายแล้วต้องฟื้นนะ่ะขอสักคนหนึ่งได้ไหม ปู่ย่าตายายเราที่ตายไปแล้วในอดีตนะนะคือมาสักนสคนนึงได้ไหมให้ฟื้นขึ้นมาพระตูจงนําออกมาบีอาบาอินอาบะแปลว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเราที่ตายไปแล้วเนี่ยนะอิงกุลตุมซอดีกีนถ้าพวกท่านพูดจริง ในการเชิญชวนดาวะตับเลิกอิสลามว่าวตามีสองครั้งฟื้นมีสองครั้งคุณนำมาสักคนหนึ่งได้ไ้ยล่ะเห็นหมทีนี้ถังว่าตายแล้วบนฟื้นบนโลกดุ ญ, ญยาในมีไหมไม่มีครับตายแล้วตายเลยไปฟื้นในโลกอาคิรอนนูนะ่นทีนี้ชีวิตในโลกอาคิรอนนี่มันหนักนะไปทนั่งอ่านหะ ด, ดิษดูอุลลอฮฺอักบตชีวิตในโลกอาคิรอนนี่ ผ่านในรเยอะมากครับอล๋อผ่านเยอะมากเลยนะผ่านเยอะมากนะครับอขอเล่าให้ฟังสักนิดหน่อยนะครับหลังจากชีวิตออกจากร่างไปแล้วเนี่ยยิ่งตอนวิญญาณจะออกจากร่างนี่นะท่านอิหมัมตบบรอนีอธิบายบอกว่าที่เรามีความเดือดร้อนที่เรามีความทุกข์ที่เรามีความโศกตั้งแต่เกิดมาจนกว่าจะตายเนี่ยนะรวมกันแล้วนี่นะ ชีวิตตอนวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยมันหนักกว่าชีวิตบนดุนยาทั้งหมดที่เราอยู่รวมกันแล้วเนี่ยนะตั้งแต่วันเกิดที่เราร้องนู่นร้องนี่ถูกทรมานถูกตีบ้างถูกอะไรบ้างเนี่นะรวมชีวิตเราแล้วนี่นะเอาความตายก่อนจะตายเนี่ยถูกทรมานก่อนตายนี่นะหนักกว่าชีวิตทั้งหมด80ดสิปีที่เราได้รับความลําบากบนโลกดุนยาสู่ชีวิต การทรมานก่อนตายไม่ได้และเมื่อตายไปแล้วเนี่ยนะอยู่ในกูโบเนี่ยนักสุดๆเลยนะแ ต, แต่หากไม่มีอีมานกำกับชีวิตนะเองตายทรมานเลยนี่บันึงโดยอิหม่ามมุสลิมอ่ผมเล่าให้ฟังนิดนึ่งนะครับชีวิตคนตายเนี่ยเวลาตายไปแล้วตรงผ่านสิบขั้นขั้นที่หนึ่งผ่านอลลัมบัดซักโลกอยู่ในกูโบทั้งหมดเนี่ย จะเผาตายหรือจะฝังก็ทีหรือเครื่องบินตกหาศพไม่เจอหรืออะไรก็ตามแต่หรือจะไปอยู่ในท้องบางบงปวานวนอะไรก็ตามนั่งอยู่ในอัลล้ำบาซักทั้งหมดนี่กูอ่านเล่าให้ฟังแบบนี้เลยเรื่องที่สองนอนอยูลใกูโบนี่นะทรมานนะน้า น, นัดฟาโร่นี่นะอัลลอ์ให้เห็นการลงโทษนะวัน2สองครั้งอะ่ะตอนเช้ากับตอนเย็นเห็นการทรมานในนรก ให้ฟาโรเห็นแล้วคนที่เอานิสัยฟาโรมาใช้ดูแลคนบนโลกดุนยาใบนี้ปกครองคนบนโลกดุนยาใบนี้ให้เป็นนั่นเป็นนี้ตำแหน่งเต็มไปหมดนะและเอานิสัยฟาโรมาใช้เองถูกเหมือนกันตอนนอนจนไทยกูโบนี่หนักนะท่านอย่าไปเป็นผู้นำเลยเอาเป็นตัวสยอโเราดีกว่าสบายใจแล้วครแล้วเเป็นผู้นำก็ได้แต่ว่าต้องเหนื่อยนะต้องมานามาท่าเวลานะ ทองอันกราท้อกษ์กระดรสเรื่องที่สองนะครับก่อนจะถึงวันเกมาจะมีเป่าคือว่าเป่าสองครั้งเป่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยตายหมดเป่าครั้งที่สองจะต้องเจอหมดเลยนะเนี่ยเป่าครั้งที่สองนะฟื้นฟื้ น, ฟ, นฟื้นหมดเรื่องเรื่อ ง, เ ร, อ ง, เ, รองเรื่องที่สมเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วนี่นะคือว่านูชูเลยนะอัลบาสูเนี่ยเท้ามันมันมันจะใส่รองเท้านะ่ะ แล้วก็ผู้ชายก็ไม่ได้ทําขีดตานมาฟืน้นหมดเลยเรื่องที่สามครับถูกเอาไปรวมกันที่ที่ทุ่งมาชาัดแล้วก็ที่ทุ่งมาชาดัดในนบีอธิบายนะครับบอกว่าดวงอาทิตย์กับศิษยาเราอยู่ห่างกันแค่ไม้นึงไม้นึงไม้นึงเท่าไรกี่กิโลอ่ะก็นั่นแหละแค่นั้นแหละก็อยู่ใกล้ามากนะครับเรื่องที่สี่ที่ทุ่งมาชัดนะครับในการคิดบัญชี ความดีความชั่วเรื่องที่ห้ามีตาช่างมีตาชูคือน้ำมาวันนี้น้ำช่างได้วันนี้น้มาช่างไม่ได้ใช่ไหมช่างแตงโมบันแก้วถั่วนุ้นถั่วนี้เนื้อเป็ดกายช่างได้แต่ในวันเจียมะอร่อยจะให้ช่างนมาช่างอ่านกุณอ่านช่างยึดรุลนล้อช่างความดีกับพ่อแม่ที่เราทำกับมะปะเราเนี่ยอร่อยเอาช่างหมดเลยไงวันนี้นึกไม่ถึงว่าช่างได้อ่ะ แต่วันนั้นจะช่างหมดเลยนะที่คุณนำมามาทัางชีวิตของคุณเนี่ยนะรกบกว่ากี่ข้างเอาล้อลาให้ฟังหมดเลยนะสูญยุ่กี่ข้างอัตทะยายกมือกี่เที่ยวละเอียดยิบในวันเกี่ยวมาเอาล้อแฉให้หมดเลยฉะนั้นในวันที่ท่วงมาชัดนั้นอล้อจะเอาตาช่างมามาช่างแล้วก็ข้อที่เจนะครับพี่น้องมีสะภานมีสิรอที่เรารู้กันอยู่แล้วพวกนี้นะแล้วข้อที่9้าพี่น้องครับมีนรกข้อที่สิบลรมีสวรรค์ เจขั้นตอนสิบขั้นตอนจะต้องผ่านบนดุนย า, านี่ผ่านผ่านผ่านกี่ขั้นตอนสมตอนหนุ่มตอนเด็กอตอนเด็กตอนเด็กเนี่ยมะเลี้ยงตลอดใช่ไหมอุ้มกระเตงกระเตงไปโน้นมานี้ข้าวกับมะป้อนให้คนอื่นป้อนให้หมดมาเหนื่อยก็ตอนหนุ่มกับตอนแก่แล้วผ่านแค่สมขั้นตอนเห็นไหมแต่พอหลังจากตายไปแล้วน่ยสิบขั้นตอนอันไหนหนักกว่ากันฉะนั้นถึงเอาล็อตได้สั่งว่าอย่าลืมโลกอาเกิดหร ให้นึกถึงชีวิตหลังตายเยอะๆอย่าหลงดุนยาใบนี้แลหลงดุนยาใบนี้มีมีเรียกชื่อตั้งกี่คือที่เล่าไปฟังแล้วหนึ่งปีกยุ่งใช่ไหมคนจะวิ่งหาดุนยาเนี่ยทางาเงินชื่อเสียงเกติยตําแมน่งวิ่งหาญาณหูเบาออวิ่งหาปีกยุงสองวิ่งหาอะไรนะใหญ่แมงมุมวิ่งหาสิ่งที่ติดอยู่ที่ปลายนิ้วมือเห็นไหมที่เราเรียนกันมาแล้วแน่นะ ถ้าวิ่งหาอะไรถ้าวิ่งหาอิมาลตกวายะกีนอิยาซานอิคลาสอัลเอฮอัลลอฮฺอักลอฮอัตลอฮฺัวอย่างกลอฮฺอัลฟอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลวยไม่เจลอไม่ัคยอามไมลลอยเป็นลอัลลอฮฺอัลลัลลอฮ์อาลลอ็ฺอัลลัลลอััอั อย่างวงว ง, วงจั ก, กรีไทยยมามีที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่8ปดที่เก้าที่ส0นะฟาโรก็เหมือนกันอัลลอฮ์ให้ขนาดนั้นเลยนะพี่น้องแล้วเป็นไงรือไหมอีตอนตายนะตายแบบไหนตายแบบทรมานสุดๆใช่ไหมอ้าวนบีมุฮัมมัดตายยังไงอ่ะอัลลอฮ์ักบามันห่างกันวะล่ะเพราะฉะนั้น เราจะให้สภาพน่ของคนกาเฟตเนี่ยตายสภาพที่ต้องถูกทรมานหนักๆมากเลยนะครับเอาล่าแค่นี้พ อ, อต่อมาครับตัลงว่าในวันกิยามะเนี่วันนี้เนี่ยเราเนี่ยพวกอาหรับเนี่ยมันมันอะไรมันท่ามันทานบาีบ่วงไงนะบอกว่าให้อะไรนะให้ ให้เอาคนฟืนน้นมรสนึงได้ไหมจะได้จะจะได้เชื่อจะได้อิมาจะได้ศรัทธาว่าที่มุฮัมมัดพูดนะจ ร, จริงบบเราก็จริงนบีบอกมาจิงอัลลัคพูดในัมภีร์ัลกุรอานแล้วอัลลอ์นะ่นนนนะ ไ, ไม่เคยพูดไม่ไม่เคยผิดผิดผิดสัญญาใช่ไหมอัต่อมาครับในบทัฟซีดบัยอิมามบอวีอิมามอิมามใบบบอวีพูดว่าพวกพวกพวกฟิรโรนี่เชื่อมันกันว่าตายครั้งเดียวแล้วก็ ฟิโที่อัลลอฮ์โกรธมากก็คือข้อที่หนึ่งเชื่อว่าตายครังเดียวเรื่องเรื่องที่สองยืนการในการทรยศต่ออัลลอฮ์เรื่องเรื่องที่สามใช้ชีวิตหลงทางในทางที่ผิดแต่มันเพลินอร่อยเรื่องที่สี่ไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นไม่มีไม่ไม่เชื่อว่าตายแล้วก็ต้องไปถูกรวมตัวกันที่ตุงมาชัดที่ผ่านนบีมูซาที่นบีมูซาสอนไอ้สีข้อห้าข้อนี่แหละถึงอัลลอฮ์ได้ มันใส่แต่บนดุญยานี่นะอัลลอฮ์ให้อยู่สบายไหมอัลลอ์พระราชวังเลยนะขั้นวันนี้เราต้องนึกนะใครที่บูอยู่บ้านใหญ่ๆมีเงินทองเชอะเชอะีกเมื่อเธสุดอยู่ต่ออัลลอฮ์อยู่เพื่ออะไรอ่ะเอ็งเอาชีวิตใครมาใช้นะฟาโร่ทำไมไม่เลือกชีวิตนบีนอ่ลละเอาเจใครนะท่านอัลดูรมานเินอาว ชายชีวิตยังไงเป็นคนรวยที่บริจาคมากที่สุดขนาดบริจาคแล้วตอนเย็นๆ เ, เนี่ยแก่บวชร้องให้อลูกถามว่ารอ้รองให้ทําไมฉันกลัวกลัวว่าอัลลอฮฺจะให้บนดุนยาวันเกี่ยมาอัลลอฮฺจะไม่ให้เขาร้องให้กันนะเนี่ยเพราะอ่านประวัยขวางบรรดารอบบานนาัลบอฮฺนบีแต่ละคนแต่ละคน อ, อ, อัลลอฮฺอัลบัตเขาเสียใจร้องให้กันกลัวอัลลอฮฺจะ ให้ความสบายบนดุนยาและอาคิอรอดจะไม่ได้เอามาดูใครอะซานาบิลานมีอะไรพูดบ่อยนะบ้านไม่มีเมียไม่มีที่ดินไม่มีรถไม่มีไม่มีอะไรเลยอยู่เพิ่หมาเงานี่ท่านนาบีต่อให้อ่ะได้ไปสวรรค์ฟาโรห์มีทุกอย่างแต่ไปนรกเอาคิดดูให้ดีนบีถาม่าคุณทำอะไรหรือฉันเห็น คุณอยู่ในสวรรค์ก่อนนะอาจารย์ก็บอกอาจารั์เนี่ยเก็บน้ำน้ำมาเห็นไหมนี่รูปแบบอย่างเงี้ยเก็บเอาไว้เก็บน้ําน้ำมาแล้วก็น้ำมาสุนัตแล้วก็อาจารย์อัลลอฮฺบอฺบอฺลอหฺอักบันนี่แหละสามสี่รายการนี้แหละอัลลอฮฺพอใจพาไปสวรรค์ไม่มีบ้านก็ไปได้ไม่มีที่ดินสักตารางวาเนึ่งก็ไปได้คำดูแ ล, ลสบายใจไหมวันนี้อย่าอย่าอย่าเข้าใจอะไรผิดนะ พอเข้าใจผิดนั้นคุณเหนื่อยฟรีบนโลกโลกดุนยาบนี้นะครับเอาต่อมาครับอายที่สามสิบเจ็ดอาฮุมคอยอัมกูมุตบะวัและี่นม่นก็เบลิฮิมอัลละกน้าฮุมอินนฮุมกานูมูจเมีอฮุมคย أم كَوْمُ تُبْعَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ห้มดูลุลลอฮฺอัลลอฮฺกุรอานนี่เตือนนประวัติศาสตร์ด้วย่สับอยู่คำหนึ่งวันนี้นะเกามูตุบะอ่าเราไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยนี่สับครั้งแรกนะ อฮุมดูดูดูสับก่อนอาฮุมแปลว่าพวกเขาหรือคอยรุนดีกว่าต้องการจะบอกว่านาบีเราได้ประทานกุณอ่านมาให้นบีถามคนอาหรับมะกาว่าพวกคุณนี่นะ่ะดีกว่าหรืออย่าหลงตัวเองนะว่าคุณแน่นะ่ะอย่าหลงตัวเองอาฮุมคอยรุนพวกเขาชาวมะกาดีกว่า อามเก้ามุตุ บ, บะหรือหมู่ชนตุ บ, บะดีกว่าเก้าแปลว่ากษัตริย์มีอยู่หลายองค์ปกครองประเทศเยเมนที่เมืองสะบะสมัยโขนนะ แบบฟิร์นูนเ่ยฟิร์นูนเนี่ยอลัลลอฮ์แต่งตั้งให้ฟิร์นูนเป็นกษัตริย์แล้วก็ราชวงศ์ของเขายาวมาประมาณสี่รกว่าปีนะใช่ไหมปกครองประเทศไดนะประเทศอียิปต์ข้อที่สามกอยซ่าไกเซอร์กอยซอสเนี่ยกษัตริย์กอยซอสเนี่ยปกครองประเทศโรมันในในในอดีตกิซโรเนี่ยเป็นกษัตริย์กิซโรปกครองประเทศเปอร์อรเซีย นย า, าชี เ, เป็นกษัตริย์ปกครองประเทศฮับาชาตุ บ, บะเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศเยเมนนี่เล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังแบบเมืองไทยวันนี้อ๋อวงจากกรีนดูแลประเทศไทยอยู่เหมือนกันฟิ โ, นโูนก็ดูแลประเทศอียิปต์แล้วก็เกามุตบะเป็นกษัตริย์ดูแลประเทศเยเมนน บ, บีสอนบอกว่ายาดายาตมนน มูชนตุบะเยอะย ะ, ยะดาเยะ <g ay> อะเพราะมูชนนี้กษัตริย์องนี้เป็นมุสลิมก็มีเห็นไหมน บ, บีอินสอนให้เราให้เกียดกับพี่น้องมุสลิม ย, ตยาตมนี่ ย, ดย <g ay> าดาลาตัสุ บ, บูฮยดาอะไรเยอะนะลาตัสุบูตุบะอันฟะอินนะฮกนะอัสลามมัติกึงโดยอิบนาฮติมอิมั ม, มอับดวลฮะบรอนี อย่านะอย่าพูดในทางไม่ดีกับเชื้อวงกษัตริย์ตุ บ, บะเพราะบุคคลเหล่านี้บางคนที่รับอิสลามก็มีและเลยผยแพร่อิสลามด้วยใช่ไหมุลังว่ากษัตริย์ที่มาในโลกเนี้่เยอะไหมเยอะมากแต่ ท, ที่ที่เล่ากันหนึ่งตุ บ, บะกษัตริย์ของเมืองเยเมนสองไกเซอร์กษัตริย์ของเมืองโรมันกิสซรอกษัตริย์ของเมืองเปอร์เซีย นาจาชีกษัตริย์ของเมืองคาบะชะแล้วก็ฟื้นเราเป็นกษัตริย์ของเมืองอียิปต์ไอห้าหกรายการนี้นะถามอาราว่าเองอดีกว่าเขาหรือว่าเขาดีกว่าเองให้ใช้ปัญญาก็ถามเราวันนี้เหมือนกันคนไทยเราวันนี้นะ่ะคนที่มาก่อนหน้าเราเนี่ยใครดีกว่า เพื่อตอนการจะบอกว่าคนที่มาก่อนหน้าเราที่เป็นกษัตริย์ปกครองประเทศต่างๆในโลกนั้นดีกว่ายุคของอาหรับมุชิลิกีนตั้งเยอะดีกว่าในไงไหนหรู้ไหมหนึ่งเงินมากกว่าสองาแค่แค่แค่กอรูอ้อ่ะคอรูณไม่เงินเท่าไหร่เฉพาะคนถือลูกกุญแจอย่างเดียวกี่คนเยอะกว่าไหมและรอดไหมล่ะ อันนี้ถามอาหรับมุสลิมกินเหมือนถามพวกเราวันนี้อ่ะอย่าหลงตัวเองกว่าเด่นนะอย่าหลงนะฉะนั้นอาหรับมุสลิมกินเอ๋ยกาวมูตุบะเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ปกครองเยเมนเนี่ยเขาดีกว่าคุณตั้งเยอะแล้วก็เขารวยกว่าคุณตั้งเยอะร่างกายแข็งแรงกว่าใหญ่กว่าคุณตั้งเยอะเขาทรายศ ต, ต่ออรรถมาลัยนะอรรถยังจัดการเลย แลเองมีอะไรานี่นาวสออัลลอฮ์ให้ยกอลกุรอานมาให้ให้นบีให้นบีมาสอนฉะนั้นเตือนนะครับคนอาหรับมุสลิกในนครมักกะอย่าทําลายอิสลามอย่าทําลายอัลลอฮ์อย่าทําลายโุนหน้านบีนยุคนี้เนี่ยคนที่ทำลายอิสลามน่ยหัวหน้าใครรึเป่าก็มึรู้กันอยู่แล้วนะอยา่าฮูดนั่นแหละเต็มที่เลยใช่ไหม ไอ้ที่เยี่ยมกุรอานเนี่ยลูกนอก้องปลายแถวเดียวกุรอ่านที่มีภาษาไทยปนถ้าอาราบล้นลวนเนียหนักถ้ามีภาษาไทยปนอยู่มันก็เบาหน่อยอคุณ พ, พูดแค่นี้พอนะครับอาหุมคอยพวกเขาชาวมากักกะดีกว่าประเสริฐกว่ารุ่งเรืองกว่า อัมเกวมุต บ, บะหรือว่ามูชนชาวตุ บ, บะเจ้านครเมืองเยเมนจะดีกว่าวัน ล, ลาีนามิงกอบลิฮิมและบรรดาคนที่มาก่อนหน้าพวกเขาเหล่านั้นอัลลัคนาฮุมเนียงสั์มีตรงนี้เราได้ทำลายพวกเขาให้พินาศหมดแล้ว เพราะพวกเขาทรยศต่ออัลลอฮ์สุภาหนาหวอาห่าละกนาฮมทำลายหมดแล้วฟาโรห์ทำลายเปล่าทำลายเห็นั้ยกามุตุบะอัลลอ์ก็ทำลายมาแล้วแต่คนดีเขามีอัลลอฮ์ก็รักษาเอาไว้ฉะนั้นคนที่มาก่อนหนะ้าอารับมุชลิกินในนครมกา์นะจะเป็นใครก็ตามใหญ่ขนาดไหนก็ตามรวยมากกว่าแข็งแรงมากกว่า คณะส ก, กัดภูเขาอยู่ทำชาวบ้านก็าตามจะฉันทําลายเขาหมดแล้วอัลลักนะ่าหุ่มวันนี้ก็เหมือนกันคนที่แอนติอิสลามด่ากูรานด่าสุนานาบีอลัลลอฮจะให้เขาอยู่บนดุนยาใบนี้พเพลินชั่วระยะหนึ่งพอความตายมาถึงกระหอยไอ้อ า, ยยาถึงไล่ฟังมเมื่อกี้เนี่ยคนกาเฟททั้งหมดนี่ความทุกข์ทั้งหมดที่เขาอยู่บนดุนยาใบนี้ ไปเจอก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างนั้นหนักกว่าความลำบากทั้งหมดที่เขาชาชีวิตจยบนกุญยาไปนี่ไปนอนอยู่ในกุโบอีกเจออีกอ่ะฉะนั้นครอบครัวมุสลิมเลยสั่งว่าดูแลลูกให้ดีนะให้ลูกเป็นมุสลิมนะอย่างน้อยจะได้ขอทุทิให้ใช่หรอ บ, บิกฟิลีวาลีวาลีได้อ่ะวะฮามูมากะ ม, มารอ บ, บีนี ส, สอกรถ้าลูกไม่เอาไหนเองอ่ะถ้ากูจะพึ่งใครอนี้ ตัวเองก็แย่อยู่แล้วเห็นไมสาสนาก็ไม่ได้เอาอีกหวังลูกลูกก็ไม่เอาอีอ่อ่ะเพราะตัวอย่างดีมันไม่มีในครอบครัวนะท่านเราเนี่ยต้องนึกตลอดเวลาเมื่อเราไม่ดีก็ให้ลูกมันดีจะได้ขอด้วย อ, อย่างที่ไปต้นอินนาหุมกานูมยาริมแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นหมู่ชนที่อะไรนะ ที่ชั่วอ๋อมุสริมเพราว่าเป็นเป็นเป็นคนเป็ น, เ ป, นเป็นคนชั่วนะครับอพวกมีผิดอ๋อคนมีผิดนี่อร้อยรักษาไว้นะรักษ า, นะาบนดุลยาใบนี้เท่านั้นเองให้อยู่สบายกินสบายมีเมียกี่คนก็ได้มีบ้านกี่หลังก็ได้เชิญตามสบายกินเหล้ากี่ขวดก็ได้ผมก็ได้ยินเหล้าขวดละล้านก็มีนะ เบีย์ขวนละล้านทือเก็บไว้เป็นร้อยๆ้อยปีอย่างเงี้ยนะี่เป็นคนอาราแครดีพอครอาตองลงคนที่มาก่อนหนะ้ากลุ่มนบีทั้งหมดเนี่ยเป็นคนเร็วๆเนี่ยเอาลอจัดการหมดแต่อย่าลืมว่าอุมมะของนบีม a หม m a นั้นเมื่อก่อนเนี่ยเอาล็ อ, ลอให้เกียรติกับกลุ่มพวกบันิอิสร อ, อีนใช่ไหม วันนี้บริสรุทลายอิสลามอัลลอฮ์เ ล, ลยเปลี่ยนมาอยู่กับอุมมะของนบีมุฮัมมัดทั้งหมดกุรอานเลยก็บอกว่ากุนตุมคอยระอุมมตินพวกท่านเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดอุคริจัดลินนัสอลัลลอฮ์อุบาทขึ้นมามาอยู่ในโลกแบนบนี้เพื่อทำงานาศาสนาของอลัลลอฮ์มาทำงานดาวะทำานามตับลิกนี่แหละเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดทุกคนก็ทำงานดาวะนี่เตือนลูกเตือนเมีย เตือนพี่น้องญาติบ้านใกล้ชิดแน่นอนไอเตือนเขาเนี่ยเขาไม่พอใจหรอกอย่างนี้มีต้นเอาต่อมาครับอะยาที่หลายนะสามสิบแปดว่ามาขอลักษณะมาวัดว่า الأرض ว่มาเบญนฮุมาเลอีบิน a l h a m d u l i ล l a h วَ م มา خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين วَ م มา خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين อัน้ยนีดีนะเตือนนะอัลลอฮฺบอกว่า ขอลักนาแปลว่าเราได้สร้างถ้าใส่มาไปเราไม่ได้สร้างอัสมาว่านี่เออชั้นฟ้าก่อนทั้งเจ็ดวันอาร์แปลว่าเอิร์ธแปลว่าแผ่นดินอาร์เออเอะไรก่อนนะเออชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินแสดงว่าชั้นฟ้าเนี่ยอาร์สร้างก่อนรองลงมาก็สร้างแผ่นดินเหมือนกันเด็กที่อยู่ในคันมารดาเนี่ยอาร์เออเอะไรก่อนมนะ เอ่ยเอ่ยหูก่อนแล้วเอ่ยตาแล้วก็เอ่ยหัวใจในคุณอานเลยครับผมนั่งเค๊กดูทำไมเอาล่ะเออยเอ่ยเออยหูก่อนแต่ทางวันล่อสร้างหูก่อนในขั้นมันดานะแล้วก็สร้างตาแล้วก็สร้างหัวใจเนี่ยคุณอ่านเราเตือนนใ น, น, นกับภีร์คุณอ่านขณนวันนี้กันเหมือนกัน ว่ามาขอนักนัสสามาวาที่วันออดเราไม่ได้สร้างชั้นฟ้ามาถึงสร้างชั้นฟ้าในก่อนนะคือเมื่อก่อนเนี่ยชั้นฟ้ากับแผ่นดินเนะี่ยเป็นดุขานเป็นสมกุกฟานาตักนาหูมาอาล้อได้แยกออกขึ้นทางบนนะสร้างชั้นฟ้าก่อนหกวันไม่ใช่วันย4สิบชั่วโมงนะวันนั้นจะประมาณ เอเป็นแสนแสนปีเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะสร้างชั้นฟ้าแล้วก็สร้างแผ่นดินสิ่งถูกสร้างสิ่งสิ่งสุดท้ายคืออะไรหรือเปล่ามนุษย์สร้างวันไหนสร้างวันศุกร์หลังนมันอะไรหลังนมันอัสรีอัลลอฮฺุลลอฮิลสร้างสรรพสิ่งหมดก่อนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วสร้างมนุษย์ที่หลังคือนบีอาดัมพอสร้างเสร็จ เราถามอาดามบอกว่าเอาเปล่าฉันจะมอบอามานาให้คุณถามว่าอามานาเน่คืออะไรถ้าทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วเอาครับแต่ก่อนหน้านี้เสนอให้กับภูเขาฉันฟ้าแผ่นดินสามรายการในปฏิเสธหมดบอกฉันสู้ไม่ไหวรับไม่ไหวคืออิสลามนี่แหละทัานนบีอาดามยอ่อเราเนี่ยเป็นคนแรกที่รับอิสลามมาวันนี้เราเป็นลูกท่านเราก็ต้องปฏิบัติตาม ที่คุณพ่อได้รับอมานามาท่า น, นอิสลามทิ้งไม่ได้และเป็นศาสนาเดียวที่คู่กับโลกใบนี้ตั้งแต่วันแรกที่อลัลลอฮ์สร้างมาเป็นศาสนาเดียวที่อลัลลอฮ์พอใจนะครับเอาตัวมาครับอลัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินมาไม่ใช่เพื่ออะไรครับเราไม่ได้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินลาอิบินลาอิเปวะเล่น ไม่มีเป้าหมายไม่ ม, ม, ไมีมีเป้าหมายชัดเจนสร้างมาเพื่ออะไรไม่ใช่สร้างมาเล่นเล่นเพื่อจะบอกพวกเราว่าศาสนาอิสลามที่อัลลอให้มาก็ไม่จะให้มาเพื่อเล่นเล่นไม่ใช่ต้องจริงหมดเลยครับฉะนั้นจะน้ำมาก็ต้องนำมาด้วยความจริงใจจะกล่าวกะริมะเหลือเราก็ต้องด้วยความจริงใจต้องเข้าใจความหมายด้วยทุกอย่าง เป็นจริงหมดเลยไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นไม่มีครับโอลโล่ให้มาเฮียงนี่อิสลามเตือนเรานี่ยไม่มีอะไรเล่นบนโลกบโลกดุนยาไปนี้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องเล่นเล่นเลยทําเพื่อเล่นเล่นผ่านเวลาไปไม่มีมันต้องทําเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์หมดเลยทําแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุภาห์นะฮุบะต์อัลลผมไปเช็คดูนะคําว่าอัสซามะแบบชันฟ้าเนี่ย เที่ยลอกล่าวไว้ประมาณร8อปดสิบครั้งจะเล่าสักสิบครั้งนะสิบสิบรายการมีชันฟ้าเนี่ยมีมีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งให้ฝนตกลงมาจากชันฟ้าเป็นริสุีถ้าชันฟ้าไม่มียุ่งไหมเรื่องที่สองอลัลลอ์อยู่บนชันฟ้าแต่พวกเรานี่สอนสอนสอนผิดนะ อัลลอฮ์อิสเอฟเวอร์เวลอัลลอฮ์อยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ใช่อัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าแต่ความรู้ของพระองค์นั้นอยู่ทุกหนทุกแห่งอัลลอฮ์เห็นทุกหนทุกแห่งอัลลอฮ์ได้ยินทุกหนทุกแห่งแต่อัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าอยู่ตรงไหนวันลอหัอัลลอฮ์อย่าไม่ต้องอธิบายไม่ต้องถามอยู่ยังไงบันลังอยู่ยังไงไม่ต้องไปถามนะครับเรื่องที่สาม อัลลอฮฺประทานให้อาหารให้กับพวกบรรดอิสลรินอันอมันนวซัลวานี่มีอาหรับอยู่คนหนึ่งเอามันมาให้ผมผมยังไม่ได้ทานเลยหมดไปแล้วลกูกหลานเอาไปพอจะชิมสักนิดนึงเอาไม่ทันชิมลรอมาจากอิรักอคนนี้มาจากอิรักพาซัลวามาให้ผมผมก็เก็บไว้ กระมานามาที่สุราวกร์กปหมดแล้วครับลูกหลานมาหลายคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลานขอใหม่เนี่ยอัลมันเรามาจากชั้นฟ้านะสมัยก่อนด้วยนะแต่สมัยนี้ผลิตเองนะโอเคฉะนั้นถ้าไม่มีชันฟ้านะี่นะฝนก็ไม่มาด้วยเรื่องที่สี่นะครับเอาลอจากม้วนชั้นฟ้านี่แบบกระดาษม้วนม้วนมวน้มวนแบบนี้เลยละ ในวันเกียมัิเห็นไหมนี่ล เ, เล่าให้ฟังนะฉันมีความสามารถถึงขนาดนี้เองยังไม่กลัวอร่อยเลยเอาต่อมาครับอัลลอฮ์ประดาประดาชานฟ้าเนี่ยด้วยดวงดาวต่างๆมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนโพสต์ามหาพมเขาจะไปดูดาวตกผมก็นึกแทนเขาดาวตกเนี่ยดาวเนี่ยอัลลอฮ์ Allah ให้มา แล้วก็อลรรรย์ก็ส่งดาวเนี่ยใจตอนมันชอบขึ้นไปแอบฟังมะะันเลยกล้าคุยกันนะกันอลรรย์ให้ดาวเนี่ยไล่ใจตอนที่ไปดูนะ่ยไปดูนะดูดูใจตอน <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าไปดูแล้วก็รู้ว่าที่ไปที่มาของดาวเป็นยังไงยังมาแล้วก็ได้มี إيمان เ, เพิ่มเนี่ยที่ผมกลัวเนอะกลัวว่าไปดูอย่างเดียวโอ้สวยเดียวเลยแต่ได้อะไรบ้างไม่รู้ إ ي م านไม่เพิ่มเลยอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาครับ ใกลๆในวันเกียร์มาอารอลจะให้ชานฟ้านี่น่ะเป็นน้ำเป็นน้ําเดือดเนี่ยเป็นสีแดงหมดเลยเนี่ยนี่ใกล้ๆวันเกียมาในวันเกียร์มาอาะอลจะเปิดท้องฟ้าแล้วจะมีประตูหลายบานมันไม่อยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยน บ, บีนั่งนั่งอยู่มีเสียงดังปึ้งข้างบนนะเรียกว่าวันนี้ยประตูชานฟ้ า, ฟาถูกเปิดมันได้เล่าแค่นี้เอง ประตูชันฟ้าถูกเปิดนบียังมีชีวิตอยู่นบีนั่งอยู่ได้ยินเสียงแล้วมีอยู่เสียงมาอสองครั้ ง, ค ร, งครั้งที่สองได้ยินอีกนี่เสียงของก้อนหินที่โยนมาเมื่อพันปีที่แล้วเนี่เพิ่งมาถึงก้นของนรกวันนี้สั่นทั้งนครมดีนาเลยเห็นอย่าง ต้องการจะอธิวาว่านารกมีจริงท้องฟ้าเป็นของอลัลลอ์จริงก็ต้องผูกถูกเปิดจริงและประตูหลายบานจะโผล่ออกมาในวันนั้นแต่เราคงคงต้องเห็นในอะอั้นแล้วพอฟื้นขึ้นมาอลัลลอ์นี่แที่เราอ่านอ่านกุรอานแล้วเข้าใจวันนี้เพิ่งจะเข้าใจเพิ่งเห็นด้วยตาจริงๆอย่างนี้เหมือนตันเอาต่อมาครับวฟิสซามาอิริสกุกุมบนชั้นฟ้าเนี่ยมีมาเลยก์กาอยู่ เต็มแล้วก็มีริสกีอยู่เต็มไปหมดเลยฉะนั้นบ้านใครจะมีริสกีนี่นะพี่น้องนบีสอนอย่างนี้เนี่ยอุลมามะก็อธิบายดีนะให้ตื่นนอนตอนที่สามครึ่งที่สี่นี่นะแล้วออกมายืนข้างนอกบ้างยิ่งเดินมามัสยิดนี่นะอลัลลอ์จะให้บรรากาศจากแผ่นดินเนี่ยขึ้นไปจากบนฟ้าลงมา ใครที่สูดรบรกะดตรงนี้จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ต้องลุกขึ้นตอนเท่าไหร่ก่อนนมาศุบโบก่อนอาซาศุบโบสักสี่สิบห้านาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งเห็นยังครับนี่นบีอุลมามะเขาเล่าให้ฟังว่านาบีสอนอย่างนี้แต่เรื่องอย่างนี้เป็นเครื่องเรื่องลับทั้งหมดนั่นแหละซึ่งหลายคนยังไม่ก็พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ได้ไหมไม่ได้เอาต่อมาครับเรื่องแผ่นดิน ถ้าแผ่นดินไม่มีนะกอรูนก็ไม่ตายใช่หรือไม่ใช่กอรูนอวดดีใช่ไหมอลัลลอฮฺให้แผ่นดินนั้นสรูบกอรูนแล้วก็สูบคารฮาแล้วก็ ส, สูบทรัพย์สินของกอรูนลงไปใต้ดินทั้งหมดนี่ต้องการจะให้เราในอิมานต่อหร อ, อถ้ามีชั้นฟ้าแผ่นดินดีหรือไม่ดี อ, อัอลลอฮฺเรื่องที่สองนะครับอลัลลอฮฺจะให้และคนที่ตาอยอยู่ในแผ่นดินนั้เท่าไหร่เนี่มะปราเรนอนอยู่ใช่ไหมถ้าแผ่นดินไม่มีไปไง อยู่ที่ไหนกันล่ะนี่งานเราให้เราเข้าใจอ่ะฉะนั้นอย่าลืมมาเราตอนนอนอยู่ในกูโบไหนย่อเรานอนกูโบไหนไปเยี่ยมกูโบบ้างใช่ไหมถ้าตายจะมากราไม่ต้องไปหรอกแคขอเท่ายหรที่บ้านเราก็ถึงแต่ถ้าจะไปมากราก็ไปจะไม่ลืมไปเยี่ยมกุโบเขาทัานด้วด้วยนะเอาต่อมาครับแผ่นดินไหวนี่ในขั้นเตือนหมดเลยนะครับสัญญาณวันเกียวมาแผ่นดินจะไหวนะครับแล้วทุกวันนี้ไหวไหวทุกวันนะ แต่เราไม่ค่อยรู้สึกตัวเท่านั้นหละครับต่อมาครับแผ่นดินใบนี้เราจะวัดกับใครจะเป็นคอลิฟ้าได้หรือไม่ได้และเราจะให้รางวัลตอบแทนกับคนที่อยู่บนหน้าแผ่นดินใบนี้ถ้าปกครองแผ่นดินใบนี้ด้วยอีมานด้วยอิคลาสด้วยด้วยอามันของท่านนาบีนี่นะเขาจะมีรางวัลตอบแทนจาก เ, าเป็นคอลิฟ้าฟิลอารดบนหน้าแผ่นดินต่อมานะครับ ฟินโนนีอัลลอฮ์ได้ให้ตายจมน้าทะเลตายเพราะอาลาฟิลเอาเพราะว่าเย่อหยิ่งจองหอนอวดดีบนหน้าแผ่นดินอันนี้แผ่นดินดีมีไหมนี่นะทำเดี๋ยวนี้นะอัตอมากก็สุดท้ายอัลลอฮ์เนี่ยให้นบีมูซาให้นบียูซุปเนี่ยอยู่ในแผ่นดินอียิปถ้าไม่มีแผ่นดินอียิปนบีมูซ่านั่นนบีอะไรนะนบีมูซ่าด้วยนบียูซุปด้วยเนี่ยนั่นน่ะพัฒนาอียิปให้เจริญก้าวหน้า แต่ของเราไม่นในมีนบีมาเลยนะแต่ละคำดยละพวกเราเป็นคนดีอัละคำดยลานบีไม่เคยเคยมาไหมไม่เคยมาอย่างนี้เป um ็นต้นต้องขอบคุณอ um ัลลอฮ์นะครับเอาต่อมาครับอายาที่39มาครับมาขอลากนนฮุมาอิลลาบิ لحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون หมายแปลว่าไม่ خلقنا เราไม่ได้สร้างหุมาทั้งสองมาถึงชั้นฟ้าและแผ่นดินเราไม่ได้สร้างมาเล่นๆ น, นะ อิ ล, ละเบลฮักนอกจากมีความจริงเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเรื่องเล่นๆไม่มีรูนิสัยเลยแหละมีแผ่นดินอย่าลืมนะทีที่เราสู่อยู่ตรงไหนจะขึ้นไปบนชั้นฟ้าหมดเลยเวลาเราตายแผ่นดินตรงนี้มันร้องไห้และชั้นฟ้าก็ร้องไห้ด้วย แต่ฟาโรตายทหารตายอีกเจ็ดแสนคนอลอนเล่าเองใช่ไหมมาบักัตชันฟ้าแผ่นดินไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้เสียใจเลยแต่มุมินตายต่างหากแผ่นดินร้องไห้ครับทําไมรู้ไหมเพราะว่าไม่มีอะไรขึ้นไปข้างบนอย่าลืมมาที่เราพูดเนี่ยเนี่ยขึ้นข้างบนหมดเลยนะถ้าเราพูดกับเมียดีๆที่รักจะ พูดไม่ได้เว้ทําไมเรียกพ่อๆไม่ได้ล่ะให้ขึ้นมาข้างบนนูอนเหรออาคัลไฟดิฉันรู้ลเยอะๆดีเลย ไ, ไม่ดีมันขึ้นข้างบนหมด น, ะน่ะนบีสอนอย่งนี้นะบนชั้นฟามีอยู่ประตูสองสองบานทุกคนมีประตูสองบานหมดเลยนะครับบ้านหนึ่งสําหรับเอาความดีขึ้นไปและอีกบ้านหนึ่งริสกีประธานลงมา ตรงไหนเราไม่รู้อ่ะแต่เอัลลอฮ์เล่าให้ฟังให้นบีมาเล่าว่าเราเวลามุมินตายเนี่ยแผ่นดินกับชั้นฟ้าเนี่ยร้องไห้อ่ะไม่มีอะไรขึ้นไปข้างบนเลยเหงาตอนนี้ดาๆๆๆฉะนั้นสุญูดเยอะๆไม่มีท่าไหนที่ที่อัลลอฮ์จะพอใจเท่ากับท่าสุญูดแล้วก็ไม่มีภาษาอะไรที่ไพเราะเท่ากับภาษาอ่านอัลกุรอานพระทอ่านอัลกรุรอานเยอะๆ ภาษาที่เราเกลียดคือด่าด่าลูกด่าเมียไอเียไอสัดด่าทาไมละภาษาอย่างเงี้ยภาษาเ พ, พ, พ, พระเพราะมีอุษา์นะละอัลฮัมดุลิลลาห์ลอิลลัอัลลอฮฺอัลลอฮบะกวะซุบฮานมอลิกินุอ่านสุรฟะติฮ่าอย่างเดียวก็สง่างามแล้วละอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยกมีชันฟ้าเป็นดินดีได้ไหมดีด พิสูจน์คนอว่าคนนี้จะเป็นคนดีคนยอดเดี๋ยวแผ่นดินเล่าเองคุณอานตรงไหนครับเลาจะให้แผ่นดินพูดอะไรยาวมาอีรินตุฮัดดิสุอัคบะรอฮ์เราจะให้แผ่นดินพูดครับเล่าเรื่องของเรา ท, ทั้งหมดที่เราเดิอนอยู่บนโลกดุนยาไปนี้นะไปไหนมาไหนไปมัสยิดกี่วนันไปดูหนังที่สี่คนสแควรนี่กี่ครั้งอธิบายหมดเลยอะ่ะ โอ้วันไหนไปจูดูหนังกูจะหน้าไปไหนวันถ้าอัลลอ์ให้เป็นที่เล่าคนนี้มามัสยิดสูยอยูต่ต่อฉันชื่นใจฮานุลิลาแต่ไปเจอภาพที่มันทาบาปทำไงอัลลอฮ์ก็ตะบถาตัวนะทุกคนมันก็มีบาปเหมือนกันทุกคนนั่นแหละนะครับเอาต่อมาครับคือน บ, บีต้องการจะสอนอย่างนี้นะครับคือคนอารับมุชริกเนี่ย ไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์สร้างแผ่นดินมาทําอะไ ร, ไรนี่อัลลอฮ์เล่านะยาฮิลอยู่ในสภาพนี้แหละกูไม่เรียนอัลลอฮ์ส่งนบีมาให้ความรู้ผ่านนบีเต็มไปหมดแต่ไม่ยอมเรียนจากนาบีเหมือนพวกเราวันนี้นะสุนานะนบีอย่าเข้าบ้านฉันสุนานะนบีอย่าเอาเข้ามัสยิดฉันไม่เอาสุนานะนบีเข้าบ้านถ้าชาวบ้านจะรู้ยังไงละลูกหลานจะรู้จากอัลลอฮ์เราสู้ยังไงอะ ท่านสุนทรนบีเนี่เป็นตัวอธิบายอัลกุรอานที่ดีที่สุดนะครับเอาต่อมาครับอายาที่เท่าไหร่นะสีสอินนายุมัลฟัซลิมีกัตุฮุมอจมัยอินนายุมัลฟัซลิมีกัตุฮุมอจมัยอันนี้เปลี่ยเรื่องคุยละ อายานีคุยเรื่องวันกิยามะมีจริงอินนาะแท้จริงยาวมาวันหนึ่งอัลฟอสลิวันแห่งการตัดสินหมายถึงวันกิยามาคือความดีที่เราทำวันนี้เราไม่รู้ว่าเราได้ทำดีอะไรบ้างลืมไปแล้วและความชั่วที่ทำเนี่ยตบ้าตัวแล้วใช่ไหมอัลเราจะรับเรืองแล้ก็ยังไม่รู้เลยนะใช่ไหม วันตัดสินมีไหมมีครับอินนาเยาแมนฟอซี่แท้จริงวันตัดสินวันกียร์มานั้นมีก่อตู้หุ้มมีก่อแปลว่าวักตุนไว้เวลาเป็นเวลาที่กําหนดเอาไว้แหลละรู้องค์เดียวนะว่าเมื่อไรวันที่เท่าไรจะอธิบายล่วงหน้าไปก่อนว่าวันเกียร์มามาในวันศุกร์เวลาอะไรไม่รู้แต่เป็นเวลาวันศุกร์ วันศุกร์จะนั้นวันศุกร์เราเนี่ยมุมบินอนะพร้อมหมดแล้วทั่วโลกเมืองกันหมดเลยอาบน้ํ า, าอาบท่าก่อนแต่งตัวเอาน้าหอมใส่ก่อนเราใส่เสื้อผ้าสะอาดๆมามัสยิดถ้าเป็นวันศุกร์เราพร้อมอยังอาบน้ํ า, าแล้วใช่ไหมแบบอาบน้ํ า, าแบบจะนาบ้านด้วยนะสะผมไม่เรียบร้อยล้วใส่เครื่องหอมใส่เสื้อตัวใหม่ๆมามัสยิดถ้าตายเหมือนกับกฝันเลยงานลฮัมดุลิลลาเนี่ยางงานี่ยังไงความรู้ที่ผ่านนบีเนี่ย ดีขนาดนี้จะแอนตีซูนนะบีนะอย่างนี้เบต้นนะครับอาจะมายทั้งหมดพวกเขาทั้งหมดถูกกำหนดไปหมดแล้วห้า ม, มเดินมนุษย์ทั้งหมดบนโลกใบนี้ล็ ก, กํำหนดวันอะไรนะวันสิ้นโลกเอาไว้แล้วแต่ไม่บอกให้รู้แต่ให้สัญญาณให้รู้ว่าเครื่องหมายวันเกียวมาคนจะทรยศต่อพ่อแม่มากขึ้น ลูกจะทรยศแต่พ่อแม่มากขึ้นคนจะทำศีนามากขึ้นจะทำศีนาการที่ไร น, นะที่ริมป้ายรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์ครับนี่นบีพูดเองนะวันเกียรมากก่อนจะมาคนนะจะมีลมจะมีลมก็จะว่านะลมเย็นๆมาเนี่ย ใครที่มีหัวใจอิหมานต่ออลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์จะให้ตายหมดที่ละคนละคนละคนละคนละคนอย่า ก, กลัวตายนะ <c oughs> เหลือจะเสือสิงกะทิงแหลก <c oughs> แต่นี่เลาโอโลนี่แหละจะดินากันที่ไปรนเมทำอะไรๆจะทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองจะฆ่าพ่อแม่นี่ยังไม่ถึงวันเกลียดมาเราฆ่าพ่อมียังเมียฆ่าผัวมียัง ไมไหมดเพยพออ่านข่าวใช่เวลาเจอข่าวแบบที่ต้องอ่านดุอาบบทนี้ครับอัลฮัมดุ ล, ลิลลาฮิลาอิยาファนีมิมมะบตาลากบิฮิวฟาะดลันีอลาคาซิริมิมมันคอลกอตัฟติลเจอข่าวร้ไรเนี่ยมาต้องอันวุอาบบทนี้อัลฮัมดุ ล, ล ani, ิลลาฮิลาอิยาฟานีอัลลอจะอัลลอให้ชาวเนี่ยปลอดภยัยจากบรละาต่างๆที่พวกเขาได้รับ แล้วก็ให้ฉันเนี่ยดีกว่าเขานี่เห็นอย่างครับนบีเสือนั่เตือนเราเราจะไม่พบกับปัญหาเดียวกันที่เกิดขึ้นไปเยี่ยมคนคนป่วยที่โรงพยาบาลยาตมศักดิกิว่าอาการขั้นสุดท้ายเป็นระมร็งแล้วก็ต้องอ่านด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดอาฟานีบิมมะบตลากับิฮิวฟัลดัลนีอลาะกัซีริมมิมมันฮอลกอตับดีละอะสุดท้ายครับ ยามแล้วยุ่งนิมอุลันอันมอุล่าชัยอาวะลาหุมยุ่งซรุนยามแล้วยุ่งนิมอุลันอันมอุล่าชัยอาวะลาหุมยุ่งซรุนจ้สุทายกับอธิบายเรื่องยามันฟัลี วันเกียมะวันตัดสินเนี่ยคืออะไรคือวันนั้นเนี่ยยาวมากคือวันนั้นวันซึ่งลายุกนีไม่สามารถช่วยเหลือช่วยเหลือกันไม่ได้แล้วการวันนี้ถ้าจะช่วยช่วยบนดุนยานี้ช่วยกันในนามของอัลล์ช่วยเงินให้เงินเขาใช้เพื่ออัลลอฮ์ไปเยี่ยมเขาเพื่ออัลลอฮ์ให้กำลังใจเขาเพื่ออัลลอฮ์ เห็นรถเขาตายเพื่ออลลอ์เก็บของได้ประกาศเพื่ออลลอ์อย่าคิดว่าเจอเงินพันบาท น, น่าเศราของฉันเก็บใส่กระเป๋าเดินกลับบ้านเฉยพกของฮ้าราวเข้าบ้านทาไมให้ลูกเมียกินอีกออลลอ้วก็ว่าต่างนี้เป็นตน้นเมาลานบปลว่าเพื่อนคนหนึ่งกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนกับเพื่อนโดยการวันนั้นไม่ช่วยกนแล้วรวมไปถึงพ่อแม่ พี่ชายน้องชายภรรยาสามีไม่มีการช่วยกันเ ร, เราเราเรนเราเรีนแล้วใช่ไหมอัคคินละยาไม่ยิ้มบาดูฮุมรีบาดินอดูคนจะเป็นเพื่อนกันในวันนี้เนี่ยนะไปในวันเกียมะจะเป็นอดูเป็นศัตรูซึ่งกันและกันอิลัลมุตตีนอกจากคนที่รักกันเพื่ออัลลอ์เท่านั้นโมบนจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งจะได้ยิ้มกันอีกครั้งหนึ่งจะได้คุยกัน แต่คนกาเฟตหมดสิทธ์ครับแม่จะวิ่งหนีพ่อพ่อจะวิ่งหนีแม่ลูกพี่ชายน้องชาวิ่งหนีกันหมดเลยเอาตัวรอดนี่อลัลลอฮฺใหฟังยามาเลยุคนีเมาลันอันเมาลาใช้อนันวันซึ่งเพื่อนหรือญาติสนิทคนหนึ่งจะช่วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดแก่ญาติสนิทแก่เพื่อนอีกคนหนึ่งไม่ได้เลย วาระหุมยุ่งสวรูและพวกเขาจะไม่ถูกช่วยเหลือแม้แต่น้อยเห็นไหมอยู่บนดุญญนยาเนี่ยอัลลอฮ์ให้อร่อยไงแต่เรามัได้อร่อยด้วยอะเรามันอยู่คนอยู่ในคุกใช่หรือไม่ใ ช, ใช่ตื่นนอนตอนตีสาม้นไข้ยอยากขึ้นตีสามน่ะกำลังนอนอร่อยด้วยอัลลอฮ์อากรว่าแต่ต้องขึ้นมาด้วยความรักอัลลอฮ์ผมไป อ่านคุณบาตที่ทางควายคนแก่ๆนี่นะเป็นคนดีเยอะนะข้า ม, มากรเนี่ยผมก็อร่อยเดี๋ยวนี้เตาบาตัวแลว้ววาลุกขึ้นมาตะฮัดยูดอ่านคุณอ่านซิคุรุลมาเยอะๆๆฉะนั้นเราเอตรงเหมือนกันที่ฟังตัปซีเนี่ยต้องต้องนึกนะให้อภัยคนเยอะหนึ่งให้ทำเจ็ดข้อนะข้อที่หนึ่งอ่านคุอ่านทุกวัน ข้อที่สองนามาจักขาดเจ็บนามาสุนัตให้หมดข้อที่สามบริจาคสม่ําเสมอข้อที่สี่ขอดูอาข้อที่ห้าซิกรุลล้อข้อที่หกอย่าทําให้พ่อแม่เสียใจข้อที่รวมไปถึงอะไรนะภรรยาเราด้วยเอาเงินใดี๋ยภรรยาใช้อย่าทะเลาะกับภรรยาอย่าด่าลูกอบรมลูกข้อที่เจ็ดเนี่ยให้อภัยกับคนเยอะๆข้อที่แปดให้อดทนสมบัติอดทน เพราะนี่เป็นอักลาของท่านนบีเพราะอัลลอฮ์เนี่ยพอใจในตัวนบีทั้งหมดใช่ไหมเราต้องการให้อัลลอฮ์พอใจก็เอาเอาซูน่านบีมาชใช้ سبحان ุลลอฮฺมม์วะบิฮัมดิกระชวลลาอิลลอฮฺอิลลาอิลาอัลตักลิลลาหมอัลกัตุด